เรามีศาสนาเป็นเครื่องปกครองจิตใจจึงเหมือนกับลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองอุ่นหนาฟ้าข้างเย็นสบายพ่อแม่ก็มีเหตุมีผลลูกก็เป็นผู้สนใจต่อเหตุแต่ผลพูดกันก็รู้เรื่องครอบครัวนั้นรมน่มเย็น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 แต่ทำหน้าที่การงานอันใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ลุกเรี่ลุกหลนร้อนเกินเหตุเกินผลทั้งพั้งติ ท, ทิใช้การอะไรไม่ได้เพราะความร้อนนั้นร้อนก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลจะเย็นก็ให้เป็นไปตามเหตุตามผลผู้นั้นก็ชุ่มเย็นศาสนา จ, จึงเป็นคู่เคียงของชีวิตความประพฤติหน้าที่การงาน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 คือความจริงหรือเหตุผลอันเรื่องความรักตนนั้นใครก็รักแต่การเข้าตนนั้นเข้าไม่ได้คำหนึ่งว่าถูกหรือผิดจากเหตุหรือผลจึงเป็นความผิดสำหรับการเข้าข้างตัวอีงเป็นนิสัยแม้แต่สัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มีสิ่งที่ขัดแย้งต่อทำ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 ความสมหวังเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันไม่เว้นนอกจากคนไม่มีสติเช่นคนบ้าคนบอ น, นั้นอาจจะไม่ทราบเพราะไม่เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์ทั่ ว, วไปนี่ย่อมเป็นเช่นเดียวกันความรักตนเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าการรักตนรักอย่างไรเป็นความถูกต้องหรือรัก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 รักษาจิตมีสติคอยสอดสองดูดูแลความเคลื่อนไหวของจิตเราว่าจะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างเมื่อสติมีอยู่เราย่อมทราบความอยากคิดอยากปรุงของจิตเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้ทราบได้อย่างชาัดเจนสิ่งที่จะผลักดันออกมาคืออะไรส่วนมากเป็นฝ่ายต่ํา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 เบื้องต้นนั้ น, ส, นสินค้าประเภทที่สจิตมีความคล่องแคล่วแ ก, วกล้ากล้ามีสติปัญญารอบตัวสว่างสวัยทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินด น, นั่งนอนหมุนตัวอยู่ด้วยธรรมจักสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งทั่วโลกดินแดน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 เพราะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือโลกเหนือสงสารนี่อำนาจของจิตความสงาา่าผ่าเผยความมีคุณค่าของจิตเป็นสิ่งที่ชนะได้ในโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือโลกโดยประการทั้งปวงธรรมรสแห่งธรรมก็ชนะรสทั้งหลาย่ฟังไม่มีอะไรที่จะเหนือรสแห่งธรรมได้ ถ้าหากว่ารถไม่เหนือทำทำจะอยู่ครองโลกได้ยังไงคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องความอัศจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจับจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลก3โลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะมาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภท 3- าสประเภทนี้ได้เลย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 ทำจึงเหมือนไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีมมมความ ศ, ศ, ศักดิ์สิทธิพิเศษแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุใดเพราะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิพิเศษจุดที่ศักดิ์สิทธิพิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปื้อนเต็มไปหมดอยู่านในจิตมองดูแล้วมันเหมือนกองงูกองคูดทั้งๆที่ธรรมชาตินั้น ก็อยู่ภายในนั่นแหละนี่คืออะไรคือกกเลตซึ่งเป็นสิ่งโสมมมัมนครอบเสียหมดจึงเรียกว่าจิตมันเปรอะมันเปื้อนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรอัศจรรย์แม้สุดท้ายผลสุดท้ายเจ้าของอยังน้อยใจตำหนิติดเตียนตนเองว่าไม่มีวาสนาบุญน้อยวาสนาน้อยก็เพราะธรรมชาตินี่แหละ เป็นเครื่องปิดบังธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวการของของอำนาจวาสนาไว้อย่างมีชิดไม่ให้มองเห็นได้เลยถึงกับเจ้าตัวหรือเจ้าของนั้นน้อยเนื้อต่ําใจว่าไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาเกิดมาไม่เหมือนเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายมี่แต่ความทุกข์ความจนจิตใจก็วุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปสิ่งที่ทําให้ว่าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสเรื่องแต่ของสงมมของโสโคกทั้งนั้น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 ที่หาความสาคัญมาได้เพราะสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอันใดเลยนี่แหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบงังนี่อันนี้แหละที่ทำให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อื่นใดแม้ตัวของเราเองก็ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมาเหมือนๆกันก็เพราะสิ่งนี้เช่นเดียวกันแล้วจะนำอันใดเข้ามาแก้ไขเข้ามาชะล้างโดดลงน้ำมหาสมุทรทะเลก็ไม่เห็นมีอะไร ที่จะเกิดผลลงในบึงในบ่อน้ําไหนก็ไปเถอดน้ําล้างบาปล้างบุมอย่างที่เขาพูดกันอยู่ตามเมืองอินโดอินเดียเป็นล้างบาปล้างอลไรล้างไปเถอดไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะทําบาปกรรมหรือสิบ ม, มัวหมองทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นให้หมดไปได้ด้วยน้ํานั้นๆ น, น, นอกจากน้ําศีน้ำธรรม น้ำใจที่เต็มไปด้วยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเป็นน้ำสำคัญที่จะชำระสิ่งที่สกรปรกดูภายในจิตใจนี้ให้ออกได้กลายเป็นใจที่มีความสง่างามขึ้นมาภายในตนแล้วจะเกิดความอัศจรรย์ภายในตนโดยไม่คาดสรรนี่เราอย่าไปตำหนิโทษอันใดอย่าไปตำหนิโน้นอย่าไปตำหนินี้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 ของศาสนาของวาสนาให้เราแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่อื่นถ้าแก้ที่อื่นแล้วก็จะเหมือนกับไปเกาในสถานที่ไม่ขันแล้วจะทำให้ะลอกปอกเปิืกเปื่อนและสปปกปรกแล้วเจ็บปวดเป็นแผลขึ้นมาได้เพราะเกาไม่ถูกจุดที่ขันการแก้กิเลสการแก้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เราจะไปแก้ด้วยความบ่นเพ้อละมือไปต่างๆถึงกับการตำหนิตีเตียนอำนาจวาสนาของตนตำหนิตนมาเกิดมาเป็นปนอาภาพอย่างนี้เป็นความผิดเช่นเดียวกับการเกาไม่ถูกที่คันเกาลงที่มันพาให้เราเดือดร้อนเพราะอะไรให้พิจารณาลงตรงนี้อันนี้แลคือไฟอันนี้แลคือตัวภัยให้แก้ลงที่ตรงนี้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรของเรา แล้วตำหนิตรงนี้แล้วพยายามไม่สังสมมันขึ้นมาความคิดในแง่ใดก็ตามที่จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นแง่ผิดทั้งนั้นแก้กันลงที่ตรงนี้ระงับกันลงที่ตรงนี้ชื่อว่าเราสร้างวัฒนาภายในตัวของเราเองและเป็นการปราบปรามสิ่งลามกหรือสิ่งที่เป็นภยัยหรือเป็นค่าศึกทั้งหลายนี้ให้ออกจากจิตใจของเราด้วย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 ไม่มีภายในพระไทยจึงสมนามว่าเป็นศาสนาแท้ไม่ใชาศาสนราทั้งทั้งที่มีกิเลสโสมมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเป็นศาสดา ห, หรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์เพราะสิ่งโกรกโกรกทั้งหลายนั้นได้หมดไปจากพระไทยสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดาเนินไปในทางสายเดียวกัน ิเรศอัญหาเป็นประเภทเดียวกันอุบายวิธีที่จะแก้ไขเราก็ต้องนำธรรมะคำตังสอนคำโพธิเจ้าเข้ามาแก้ไขภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกันโดยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรของเราก็เท่ากับว่าเราก้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก้าไปโดยลําดับลาดับไม่ถอยหลังความสมหวังของเราจะไม่เกิดขึ้นจากการดําเนินที่ถูกทางหรือที่ถูกต้องดีงาม น, นี้จะมีที่อื่นใดเล่าเป็น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 ว่าขันตั้งๆมีรูปประขันเป็นต้นก็เหมือนกับร้านค้าใจที่ทรงคุณธรรมไว้โดยตามขั้นูวิของตนก็เป็นเปรียบเหมือนกับสินค้าตามขั้นแห่งสินค้าที่ตนมีคุณค่ามากน้อยภายในใจเพียงไรจนกระทั่งถึงสินค้าอันประเสริฐสุดคือวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจนี่แหละท่าน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 มาเป็นการกวนใจตนเองจึงเรียกว่าสุขโตคิดไปที่ไหนก็ไม่เป็นไัยมองเห็นอะไรก็ไม่เป็นไัยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับเรื่องอะไรไม่เป็นไัยเป็นสุขโตโดยไปโดยตลอดนี่คือผู้หมดภัยไปที่ไหนหมดไม่มีไัยติดภายในจิตใจเพราะเชื้อแห่งไัยไม่มีนี่เขาเรียกว่าตลาดอัศ จ, จรรย์ หรือสินค้าอาัศจรรย์นั่งอยู่ก็ครองสินค้าอัศจรรย์นี่อยู่เดินไปไหนก็ครองสินค้านี้อยู่ก็ครองตายไปแล้วก็ครองสินค้าอันนี้แหละไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถอํานาจวาสนามากกดขี่บังคับหรือแย่งเคงเอาสินค้าประเภทอัศจรรย์ของเราซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้นี้ไปได้ดังนั้ น, น, นจึงขอให้พากันพยายามชําระ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 ธรรมะท่านไม่ได้หลอกธรรมะเป็นของจริงท่านจึงสอนลงในจุดที่จริงจริงๆไม่ได้สอนแบบหลอกลวงและไม่ได้สอนในจุดที่ไม่จริงจิตนี้เป็นสถานที่รับธรรมโดยแท้ท่านจึงสอนลงที่จิตให้จิตพินิจพิจนารณาให้จิตรับธรรมนี้ไว้ประพฤติธปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อตัวเองออกจากจิตเสียเองแลวจิตก็เป็นจิตที่ประเสรศิ